บางทงํางกนเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติเราได้ยินในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เราได้ยินมันก็สมน้ำสมเนื้อเวลานี้เรามาฝึก วิชากรรมฐานศาสตร์แห่งความตื่นตัวโด่ใช่ศาสตร์สมมุติมันอยัดตามโลกสมมุติเป็นศาสตร์ที่เกิดในชีวิตของเราสาสตร์แห่งความตื่นนั้นเราเลือนตาเราจะต้องเห็น อะไรทางตาการเห็นทางตาก็เป็นการตอบได้เห็นบ่อยๆเช่เราเห็นงูงูพิษเป็นลักษณะอย่างไรงูไม่มีพิษเป็นลักษณะอย่างไรถ้างูมีพิษ ตามันจะหลีหลีขิ้วโปโปชิ้วใหญ่ใหญ่ถ้างูที่ไม่มีพิษตาโบโบไม่มีขิ้วอัอนนี้เราเห็นทางตาเราก็จำได้เคยมีเด็กน้อยถูกงูกัดไปเล่นที่วัดแล้วก็ตีงู ามันก็เอางูไปให้พ่อแม่มันดูพ่อแม่ก็พาเอางูนั่นมาให้หลวงตาดูหลวงตาก็บอกว่าไม่มีพิษหรอกไม่เป็นไรก่อนที่จะเขายังไม่ลูกเขาก็ตกใจเปลลูกจะตาย เราก็บอกว่างูเช้นนี้ไม่มีพิษแล้วก็อยู่สบายนอนหลับสบายแย่ปวดบ้างก็นิดหน่อยในชีวิตเราก็เหมือนกันตาภายในของเรานี่เราเห็นมันผ่านความหลงกับความรู้มันก็รู้เรื่องความทุกข์กับความรู้มันก็รู้เรื่อง ความโกรธกับความรู้ก็รู้เรื่องธรรมดาคนมีศาสตร์แห่งความรู้ตื่นตัวนี่ต้องเห็นถ้าไม่เห็นถือว่าไม่ได้ไม่ได้ตื่นตัวเหมือนคนที่หลับไม่เห็นอะไรถ้าหลับทางตัางกายถ้าหลับทางจิตใจนี่ก็ไม่เห็นอะไรจะเห็นแล้วก็ไม่มักจะไม่รู้เรื่อง กับอาการที่เห็นนั้นเกี่ยวข้องกับภาวะที่เห็นไม่เป็นเห็นความหลงเกี่ยวข้องความหลงไม่เป็นเห็นความทุกข์เกี่ยวข้องกับความทุกข์ไม่เป็นเห็นความโกรธเกี่ยวข้องกับความโกรธไม่เป็นไม่ผ่านสภาพที่รู้ศาสตร์งความรู้มันผ่านนะมันเป็นการผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางมันผ่านไป ถ้าไม่มีการผ่านอะไรต่างๆไม่ใช่เดินการตื่นนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นเราไม่ใช่เดินไม่ใช่เห็นเป็นทุกข์ไม่ได้ไม่ได้ผ่านไม่ได้เดินไปไห น, ย, ย, นยังอยู่ที่เก่าเป็นทุกข์ก็ยังอยู่ที่เก่าอะไรต่างๆที่เป็นรถของ ระหว่างทางที่เราต้องเดินไปเนะ่ะมันมีเหมือนกันเราจึงมาลู้สึกตัวลู้สึกตัวเนี่ยสัมผัสลองดูความความลู้สึกตัวนี่ให้มันกระชับติดไปกับกายติดไปกับใจเราไม่ใช่ให้รู้ให้มันติดให้มันเป็น ภาวะที่ดูเนี่ยภาวะที่เห็นมันเป็นภาวะที่ดูภาวะที่ไม่เห็นเป็นภาวะที่เป็นเป็นสุขแสดงว่าไม่เห็นสุขเป็นทุกข์แสดงว่าไม่เห็นทุกข์เป็นความเลกความช่างความครับแค้นใจแสดงว่าไม่เห็นเมื่เราเห็นงูจังไปงูกัดอยูจะปวด ความทุกข์ก็เจ็บปวดความสุขก็เจ็บปวดแต่คนละลดมันก็ชื่อมันก็ชื่อว่าเป็นเป็นลดเหมือนกันตรงกันข้ามเลยจึงมาศึกษาเนี่ยให้มันสัมผัส ด, ดูสัมผัสความหลงสัมผัสความรู้สัมผัสความทุกข์สัมผัสความรู้สัมผัสความไม่เที่ยงสัมผัสความรู้สัมผัสความไม่ใช่ตัวตน สองผัดความรู้จังเราสวดเป็นหะปัจเวกเรามีความแฉเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแฉไปไม่ได้ยอมรับเหลือเรามีความแฉหรือหรือเห็นมันแ่ถ้าศาสาดแ ท, ทงความรู้เห็นมันแฉไม่ใช่เป็นคนแฉแล้วมีความ เจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไป็ได้ถ้าเป็นผู้เจ็บไข้ก็ร่วมพ้นไม่ได้จริงๆต้องเป็นผู้เจ็บให้แสดงเป็นคนเจ็บหมุดเนื้อหมตัวกับคนเจ็บถ้าเราไม่มีสติไม่เห็นเนี่ยมันจะต่างกันมากเคยบอกเคยพูดมาหลายตหลายเหล่าเห็นหรือเป็น เช่นโกรธนี่เห็นมันโกรธหรือเป็นผู้โกรธมันทุกข์หนมันทุกข์หรือเป็นผู้ทุกข์อะไรต่างๆเนี่ย <c oughs> ลองสัมผัสสองรถเนี่ยดูเป็นกับเห็นเนี่ยมันจะต่างกันไหมหนักเบาขนาดไหน้าเป็นแล้วอาจจะหนักนะ กลาเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ ม, ใชมหาภูตารูปเช่นความแจ็ความเจ็บความตายไม่ใหไม่ใช่เรื่องมหาภูตารูปมันเป็นรูปสองต่ออุปทายรูปด้วยเห็นผู้เจ็บอุปทานจะรูปถ้าเห็นมันเจ็บเป็นมหาภูตารูปรูปนี้มันมีสองรูปรูปธรรมนามธรรม แล้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นส่วนรูปอันหนึ่งไม่ใช่รูปทำนามธรรมมันเป็นนามารูปนามารูปเกิดจากอุปัฏายะรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็แสดงให้เราเห็นเพราะเราต้องเห็นแน่นอนเห็นรูปเห็นนามเห็นเป็น สองพบสองชา ต, ติรูปธรรมดาเนี่ยมันเป็นมหาปุตต ร, รูปมันเป็นรูปอาศัยอาศัยทำความดีอาศัยแล้วความชั่วสร้างได้จากมหาปุตต ร, รูปนี่เช่นมั น, ห, ม น, นหิวมันก็รู้จักกินข้าวถ้าหิวไม่เป็นถือว่า มหาภูติรูปใช่ไม่ได้แล้วมันป่วยแล้วท้าไมรู้จากหิวอ่ะไม่ใช่ธรรมตาอาจจะเป็นอุปทายรูปต่อเข้าไปอีกเป็นพบอยู่ในนั่นด้วยเราจะมาเห็นเนี่ยสัมผัสดูสัมผัดดสภาวะที่เห็นสัมผัสภาวะที่เป็นจะมี การเฉลี่ยถ้าน้ำหนักร้อยกิโลถ้าเห็นแล้วไม่ถึงห้าสิบกิโลน้ำหนักเรียกว่าบรรเทาไม่เต็มร้อยถ้าเห็นจำนี้ํำนานแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตาย เป็นผู้แก่เป็นผู้เจ็บเป็นผู้ตายมันทั่วต่างกันจบเมื่อมหาภูตลุเมื่ออุปทายรูปไม่มี <c oughs> อุปทายรูปมามีก็จิ้นพบสิ้นชาติเราก็อาศัยพ่วงแผ่คือร่างกายของเราเนี่ขี่ข้ามภาคไปใช้มันให้มันสำเร็จประโยชน์ขอบคุณมัน รูปนามนี่ขอบคุณขอบคุณไม่มีอะไรเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นโทษถ้าเรารู้จักถ้าเราไม่รู้จักก็เป็นพิษเป็นภัยต่อเราด้วยเราจะมาเห็นเนี่ยมาแยกมาดูมามีสติมาศึกษาศาสตร์แห่งความตื่นให้มันรู้ให้มันเห็นเห็นกายที่มันเคลื่อนไหว เห็นใจที่มันเคลื่อนไหวเห็นความสุขความทุกข์ที่เกิดกับกายกับใจเห็นพบเป็นชาติที่เกิดกับลูกเห็นพบเป็นชาติที่เกิดกับนามคือใจเช่นเกิดถ้านั่งเกิดเกิดเกิดภบหนึ่งนั่งไปนานก็เจ็แเจ็ไปนานก็เจ็บ เก็บไปนานก็ตายไม่มีใครนั่งอยู่ได้นานยืนก็เกิดท่าหนึ่งนอนก็เกิดท่าหนึ่งนั่งก็เกิดท่าหนึ่งความรักก็เป็นความเกิดมาเกิดความรักความรักก็เจริญเจแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเกิดความโกรธ ความโกรก็เจเ็บเจ็บแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายความทุกข์เกิดแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายมันไม่จริงเรื่องเกิดเจ็บเจบตายที่เป็นความโกรธความทุกข์ความรักความฉังมันเป็นการเกิดบางคนขยันเกิดในภพนี้เกิดดำบรรูุในภพนี้มาก บางทีเอ็นูปนามเนี่ยรูปบางอย่างรักษาไม่ได้โลคบางอย่างรักษาไม่ได้โลคที่เกิดกับรูปไม่มีอยารักษาถ้าเป็นรูปนามดังความไม่เที่ยงของรูปไม่มีใครรักษาความไม่เที่ยงได้เดี๋ยวนี้ แล้วก็ป้องกันมันไม่ได้ความไปเทีย่ยงไหลของมันไปอยู่ไหลไปอยู่ความแย่ความเจ็บความตายไม่มีใครเป็นใหญ่รูปตัวนี้ไม่มีใครเป็นให ญ, ใใหญ่อย่าเอามาเป็นเรื่องทุกข์เอาคามเป็นปัญญาเอามาเป็นปัญญ า, า, า, ญญาความแจที่เป็นของรูปเนี่ยไม่ไปเยารักษาเป็นแต่เพียงปัญญามาลู่แจ้ง มาลูกแจ้งของลูกนี้มันเป็นลูกของเขาตามความเป็นจริงความเจ็บความทุกข์ความทุกข์กที่เป็นสภาพวัตุุของลูกไม่มียารักษาเช่นหายใจเข้าหายใจออกจะรักษาไม่ให้หายใจไม่ได้ ไม่หิวก็ไม่ได้จะรักษาให้มีความหิวไม่ได้ไม่ร้อนไม่หนาวจะรักษา ห, หายเลยไม่ได้มีแต่บรรเทามิแต่บรรเทาเอาอย่าเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เพราเราเห็นรูปเห็นตามเราจะฉลาดแต่ก่อนเราทุกข์ไปทั้งหมดเลยทุกข์บางอย่างที่เกิดกับรูปนกําหนดรูปเฉ ย, ย, ย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรมันกําหนดรู้โดยการรู้ถ้าจะต่บอบว่ารู้แล้วก็แล้วกันไปไม่ใช่เอามาเป็นเรื่องทุกข์อยให้มันสองต่อถ้ามีแต่รูปก็เป็นเรื่องของรู้ไปเช่นมันหิวเป็นเรื่องของรูปไม่ใช่เรื่องของหนามถ้าเราไม่รู้ รูปทำนามทำแล้วก็ไปไปเป็นอุปทาเยลูปเป็นเป็นเราหิวเป็นทุกข์ก็ไปแต่ที่จะไม่เป็นทุกข์เลยแต่ที่จะพูงใจบาทีอะไรออกมาเป็นทุกข์ทั้งหมดในรูปเนี่ยเอาเป็นเรื่องทุกข์สองต่อูกขอนสองดอกทั้งกายทั้งใจด้วย ทุกอั น, นี้จะว่าจะพาว่าทุกทุกตามสภาพของลูกไม่มียารักษามีแต่เพียงกําหนดรู้ดรือการรู้อันทุกพอหิวกําหนดรู้หรือการรู้ไม่ได้ต้องกินไม่ใช่มาลู่เฉยๆไม่กินข้าวมา <c oughs> นนั่นไม่ถูกต้องต้องกินอาหารแต่การกินอาหารไม่ใช่แค่ เป็นการบันเท่าวันหนึ่งต้องกินอย่างน้อยต้องสามเวลาสามมือแลต่มันก็หิวอีกยืนเดินนั่งนอนก็เหมือนกันอป็นทุกข์ของลูกมันต้องเป็นอย่างนั้นยาวมาเป็นเรื่องทุกข์เห็นรูปเห็นน้ำเห็นอย่างนี้หมดพระลงไปได้เฉลาดได้ปัญญาเพราะเห็นรูปเห็นนาม ทุกบางอย่างที่เกิดกับรูปนามที่มันเป็นต่อไปเป็นอุบัทิยาลูปอันนั้นทุกข์ทุกอันนั้นตกละเช่นความโกรธบรรเท่าไม่ได้ความอิจฉาเบียดเบียนความหลงความครับเขินใจบรรเทาไม่ได้ตงละอย่างเดียวอย่าเสียเวลาเรื่องนี้ไวๆสักหน่อย เหมือนไฟตกใสขาเราต้องปัดออกไปไวๆชักหน่อยแค่บังโกดเปลี่ยนลองดูเปลี่ยนไปๆดูอย่าไปหาเหตุหาผลกับความโกรธเอาเหตุเอาผลกับความโกรธมองขี่ไปคนนั่นทํางานคนนี้ทำแบบนี้ไม่ใช่ความโกรธเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นคนอื่นเขาไม่รู้เรื่อง ที่เราโกรธเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่มีผลอะไรแต่เราโกรธเนี่ยมีผลกระทบตัวเราคนเดียวคนอื่นก็ไม่มีกระทบอะไรเลยอย่าให้ช้าเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธ ท, ทันทีหัดตรงนี้ให้เป็นถ้าหัดตรงนี้ไม่เป็นมันก็จะมีรอยแห แห่งความโกรธในหัวใจเมื่อมันเป็นแผลมันก็เบะเบะเปาะบางมีรอยเหมือนลองตามีแผลในลำคอเวลานี้ลิ่นแข็งเพราะโรคมะเร็งมันเกิดที่ลำคอเป็นแผล <c oughs> มันก็อ่อนแอ บางทีจำเสียงตัเองไม่ได้ไม่เหมือนเก่ามันเพี้ยนไปแต่นี้อันแผลแห่งโลกที่เป็นรูที่เป็นนามโลกเด่กก็รักษาหายแต่ว่าบางคนไม่ยอมรักษาหลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายแทนที่รักษาให้หายได้เดี๋ยวนี้ มันเป็นขั้งสุดท้ายได้ความโกรธความทุกข์ความไม่ตกความโกรธเศร้าหมองความขาดแค้นใจมันเป็นการรักษาให้หายโกรธเรื่องอื่นถ้ารักษาตรงนี้หายแล้วมันจะเป็นยังไงชีวิตเรานะ่มันก็ไม่มีททษมีภัยมีแต่รูปนามธรรมดาใช่รูปใชดนามนี้ให้ถูกต้อง รูปดามนี่มันพาไปเหมือน พ, วพ่วงแพพาข้ามฟากได้เมื่อถึงเขาที่มันใช่ไม่ได้ก็ทิ้งมันได้ไม่ใช่เราเจ็เราเจ็บเราตายแต่ว่าที่เราสวดอ่ะเราเปกรรมของของตนเราเปกรรมมีกรรมไปที่มืออาศัยเราไปกรรมเป่เผ่าพัานเราไ่กรรมเป็น ทายาทจะต้องรับผลของกรรมคือนามบรมรูปนามบรรูปนั้นเรียกว่าอุปทายลูปนั่น่ะกรรมระอะไลรูปนามไม่มีกรรมหรอกเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่กรรมบางคนไปฆ่ารูปไปฆ่านามคือใจคือรูปเนี่ยเอามาเป็นปัญหามาเป็นเรื่องทุกข์ ไปฆ่าบางทีค่าตัวเองค่าคนอื่นทำไปชดประชันไปต่างๆมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกรูปนะจะปืนมายิงมันก็ยิงได้จะเมีดมาฟันตัวเองก็ฟันได้จะเชือกมาผูกคอมันก็ผูกมันไม่รู้เรื่องถ้านามไม่ได้ฝึกขัด <c oughs> นั่นไม่รู้วันเราจึงจะเสียเปียบประโยชน์เยอะแยะจากรูปทำนามทรเนะ เอามาทําดีไม่ใช่เอามาทําชั่วให้เป็นตัวเองเป็นทุกข์เป็นโทษให้คนอื่นเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ใช่นี่คือสอนแต่งความรู้สอนแต่งความตื่นตัวมันตื่นจริงๆไม่หลับรูปหมดเรื่องนะรูปนะรูปหมดปิดไม่มีตรงไหนปิดบางอ้ำผางถ้าเรามีถ้าเราตื่นขึ้นมามันจะบอกเราเลย อะไรเกี่ยวกับรูปไม่อาการยางไงธรรมชาติยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขาถูกต้องโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนมีปัญหาอะไรถ้าเราไม่รู้มันก็สุกซนเหมือนกันติดเล่าติดบุรีติดอะไรเยอะๆได้รูปนามนะ่รูปทำนามทำานะ่มันก็ติดได้ถ้าใช่ไม่เป็นนะ เราก็เป็นโทษต่อรูปต่อนามด้วยแต่ใช่เป็นก็เป็นประโยชน์ต่อรูปต่อนามไม่พอจึงเป็นประโยชน์ต่ออยงอื่นเชิงอื่นช้าเราไม่มือห้านิ้วสิบนิ้วเอามายกมาไหว้มันก็สร้างความดีถ้ามีมือเอาไปเขียนไว้ข้ากันมันก็เป็นโทษถ้าไม่มือมันจึงจับมีดเป็นเพราะมันไม่รู้ ถ้าไม่มือจึงจับสตาร์วูดเป็นไปฆ่ากันเป็นท้าไม่มือไม่ทําประโยชน์แล้วแต่เราจะฝึกมันเราจึงเห็นตัวเนี้ให้มั่นใจมั่นใจในรูปธรรมในนามธรรมนี้มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆที่เราจะต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์จริงๆอรูปธรรมนามธรรมนี้ ถ้านามวารูปยิ่งดีใหญ่เป็นประโยชน์ส่วนตัวนามวารูปส่วนรวมก็มีบ้างถ้าเราไม่โกรธเราก็เป็นส่วนตัวของเราก่อนแล้วเราไม่ทุกเราก็เป็นส่วนตัวถ้าเราไม่หลงเราก็เป็นส่วนตัวถ้าเราหลงตรงรูปเป็นส่วนรวมแล้วโกรธอยู่เป็นรูปนามเนี่ยเขาเป็นส่วนรวมมีผลกระทบส่วนรวมด้วย โตธรรมชาติด้วยถ้าเราไม่หลงมันก็เป็นประโยชน์มันมีทุกส่วนรวมมันมีทุกส่วนตัวอันความไม่เที่ยงมันเป็นทุกส่วนตัวถ้าเราไม่รู้มันถ้าเราความไม่เที่ยงเอามาเป็นเรื่องทุกขในนามมลูกมันก็เป็นทุกส่วนรวมได้ถ้าเราได้โกรธเราก็ไปทําตามความโกรธของเรา ไปเข่นไปฆ่ากันไปดุไปด่ปดากันไปลักไปขโมยไปเบีดเบียนไปชิ้นไรทำนี่คือศาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ของการศึกษาส่วนตัวส่วนตัวทุกคนต้องเรียนอันนี้ให้จบนะเรียกว่าศาสตร์อันนี้ต้องเรียนให้จบสมัยโ บ, บราณมาโนปก่อนจะครองบ้านครองเมืองต้องบาเรียนศาสตร์อันนี้ ยังจะคองบ้านคองเรือนได้สมัยโบราณเราไม่มีโรงเรียนเรียนตงแต่ เ, เรียนศาสตร์คืออยู่กับอาจารย์อาจารย์ก็สอนให้เห็นให้ทำความดีเช่นอาจารย์ไปอยู่ลูกศิษย์ไปอยู่กับอาจารย์ลูกศิษย์คนหนึ่งชอบขโมย ชอบขโมยของเพื่อนเพื่อนก็ลังเกยียดมาพ้องอาจารย์อาจารย์บอกว่าเราจะสอนเขาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนหรอกแล้วลูกศิษย์คนนั้นก็ไปลักไปบ่อยลูกศิษย์คนอื่นก็เดือดร้อนมาพ้ออาจารย์หลายโลกอาจารย์ก็ ก็บอกว่าจะสอนเขาแล้วก็มายังรักอีก <c oughs> ลูกชิดตอนนั่นก็บก่าถ้าอาจารย์ไม่ไล่เขาหนีอ่ะกเขาจะหนีให้เขาอยู่กับอาจารย์นี่าอาจารย์ไม่ไล่เขาหนีเราเดือดร้อนออาจารย์ก็บอกว่าพวกคุณก็ไปกันได้แล้วพวกคุณมีความรู้แล้วเป็นคนดีแล้ว แต่เขายังลักขโมยอยู่ให้เขาอยู่กับเราพอมาฟ้องกันต่อหน้าต่อตาพอดีลูกศิษย์คนที่ขโมยของพอมาได้ยินอาจารย์พูดอย่างนี้เขาหยุดขโมยเลยมันรู้ตรงไหนอ่ะมันอาจจะไม่ใช่าคาสอนเป็นความเห็นอกเห็นใจเป็นความเมตตากรุณาเป็นการทำให้ดูไม่ลังเกียร์ อันนี้เป็นการสอนอาศาตร์มัลสมัยโบราณแต่บางทีก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันการสอนเนี่ยเห็นมีนักซามูไรคนหนึง่งใช่ไหมเกี ย, ย น, นญี่ปุ่น <laughs> นักซามูไรคือนักฟันดา ถ้าคนทหารส ม, มุทลไลแล้วก็กลัวว่ามาถามอาจารย์อาจารย์ครับบาปมีไหมบุญมีไหมขณะที่อาจารย์จะสอนก็ขี้ไปลนะักทหารคนนั้นเอ้ยเป็นทหารด้วยหรือเนี่ยทหารงงงวแบบนี้ก็มีเหรอเป็นทหารมันน่าจะง่เลยนะมีดาบด้วยหรือด้วนนะ เป็ น, นักสมรวจด้วยหลือนักลบปันดาบด้วยหรอโอ้ทหารสำรวจงู้นี่ก็มีได้ไม่ได้ทหารคนนัน้นก็เดือดร้อนมันก็ใจร้อนอยู่แล้วโกรธอาจารย์โกรธอาจารย์ชักดาบมาจะมาฟันอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าโอ๊ยโอยประตูนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วนั ฟันดาบเขานั่นก็ได้ยินอาจารย์ล้องปล่ตูนรกเปิดแล้วปล่อยตัวนรกเกิดแล้วต่วางหากคนั้นก็อดาบเข้าฝักเจ็บดาบไป้ในฝักอาจารย์ก็ลก้องขเดิบเออปล่ตูวสวรรค์เปิดแล้วปล่อตัวสวรรค์เปิดแล้วนักฟันดาบคนน้นก็อาจารย์รู้ของมจริงรู้แล้วสวรรค์เป็นไงนรกเป็นไงไม่ใช่ไปยืนหน้าห้อง เป็นการสอนแบบตรงๆเข้าไปเลยอะไรคือนาลกอะไรคือสวรยนขณะที่ชักดาบออกมามันเป็นจิตใจประเภทใดมันก็คือจิตใจที่ดุร้ายฆ่าคนโกรธเคียดแช้นพอที่อาจารย์ล่องว่านาะลูกเปิดแล้วใจมันก็หดขึ้นมาโอ้อันใจร้ายนี่หะเป็นนาลกง ใจร้ายเหลือโกรธนี่หรือเป็นนรกใช่แล้วเอาดาวเขาฝกใจดีพอดาวเ็ฝากแล้วอาจารย์บอกสวรรค์ประตูวสวรรค์เปิดแล้วรู้ทันเดียวนรกคือร้อนใจทุกข์ใจสวรรค์คือใจดีๆเนี่ยไม่มีใครสอนกันใครเป็นคนสอนเขาสอนขอเขาเองล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาก็สอนตัวเรามันหลงใครหลง มันรู้ใครรู้สอนตรงนี้หรือเปล่ามันทุกใครรูร้เปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกขเมื่อชีาลูกเสดเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเขาเปลี่ยนเอาเองแล้วนี่เปลี่ยนได้บ้างไหมมีโกรธบ้างไหมนั่งอยู่เนี่ยบางทีคิดถึงเรื่องเก่ากางเก่าคิดออกมามันไหลมามาทวงมันก็ไหลไปก็ใจไม่ค่อยดีอย่างควนปฏิบัตินะอารมณ์ของกรามฐ า, าน มีภัยาบาดก็มีนะมีไหมเห็นไหมเนี่ยพี่ดี๋ยวนะบางทีมีภัยาบาด้วย น, นี่กามรารคะภัยาบาดมีโอ้ตืน่นโอ้โหมี10ปีแล้วเอามาอุ่นยังอุ่นล้นขึ้นมาอีกเดีโอ้โหมันก็เปลี่ยนทันทีแล้วน้องตาเคยเป็นนะเคย มีรอยแห่งความโกรธเป็นคนที่ทุกข์ที่ยากก็ต้องมีแน่นอนเป็นคนที่มีการผิดพลาดได้มาเปรียดและมาสอนตัวเองขณะที่มาเรียนศาสตร์เนี่ยมันหลงรู้เพราะเรารู้ได้มันทุกข์รู้มันโกรธรู้อะไรที่มันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นหมาในหม่รู้มันรู้มันมันซ้ำสอนอย่า ง, างนั้น จิตของเราแตกา่ก่อนไม่ไปฝึกไม่เป็นระเบียบเลยถ้าคิดคิดเหมือนไก่เขียดเรียกวอุทัจจะกุกุ จ, จะมีบ้างไหมคิดแบบไก่เขียไม่เป็นชิดแบบนเดิมโอนไปกันไปหมดเลยเรียกว่าไก่กุกุจจะอุทจจะกุกุจจะฟุ้งไปเลยก็เห็นบันยกมือปั๊บึ้นมามันก็เป็นระเบียบขึ้นมาปั๊บสอนมัน สอนเวลามันผิดเหมือนเราสอนลูกสอน่าอาจารย์สอนลูกศิษย์ถ้าสอนเวลามันผิดมันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ให้มันเขียนกอไก่ไม่เขียนปอปา้าเปรียบเทียบไม่ใช่ปอไก่อันนี้เป็นปอปา้ากอไก่เขียนอย่างนี้ลูกศิษย์เราเมื่อเราถูกสอนก็จำได้สอนที่มันผิดนันนั้นเรวอาจารย์สอนลูกศิษย์ แต่เราสอนตัวเรานี้นะไม่มีใครมาสอนเราสอนตัวเราเองเรามีประสบการณ์เรามีบทเรียนเรารู้สึกตัวนะ่ะสภาพรู้สึกตัวนะ่ะเป็นสภาพที่มีการศึกษาเป็นสูตรอันหนั้แนแหะเนี่ยเป็นสูตรของชีวิตเราแท้แทนะ้เจนเห็นหมดเห็นครบเป็นท้วนในรูปในดามเนี่ยในรูปทุก์ในนามทุกข์ ในรูปโรคในนามโลกทุกของรูปโลกของรูปรูปทานามศพนะอันทุกของรูปโลกของรูปอันนั้นนามรูปนั่นก็มีเหมือนกันความโกรธควาโลกความหลงควาทุกเป็นโลกของของนามโลกของนามนี่ความโกรธไม่มียารักษา ความโลภความหลงไม่มียารักษาเบ้นแต่เพียงศาสตร์ทางความรู้ตัวนั่นเข้าไปรู้เลยให้บันหายถ้ารักษาตัวนี้หายก็เ ร, เรียกว่าอะโรคยะปารมาราภาความไม่มีโรคกันลาบบะเเสดหมายถึงโรค ก, กว่านี้แต่โรคอันความร้อนความหนาวน่ะความหิวความปวดความเมือ่อยมันไม่ใช่รักษาให้หายเป็นปัญญากําหนดรู้โดยการรู้ เรีย ว, ว่ายาตะปริญญารู้แล้วตีละคณ ะ, ะปัญญาแจกแกงปัญหาหน้าปัญญาทําให้หมดไปไม่ใช่ออกมาเป็นทุกข์นะชีวิตเราเนี่ยป้องกันตรงนี้ได้จริงๆนะว่าทุกตัวเนีเป็นขั้งสุดท้ายด้ไม่ใช่เราจะทุกข์เรื่องเก่าเรื่องเก่าเรื่องเก่ามาทุกข์เรื่องเก่ามาสุขมันมันโลกโล่ มันไม่มีจริงๆนะเราจะมาผูกขัดอให้เห็นตั้งแต่วันนี้ว่าไปเห็นอยู่ที่ไหนก็รู้ได้มันหลงอยู่ที่ไหนก็อันเก่ามันทุกข์อยู่ที่ใดก็อันเก่ามันโกรธอยู่ที่ใดก็อันเก่ามันน่าจะหลงไปเรื่อยๆไปเป็นเรื่องเก่าๆมันเป็นเรื่องเก่าๆเพราะเราเห็นอยู่วันนี้แล้วบอกได้เลยว่าอันความโกรธไม่ใช่ตัวใช่ตน ความทุกข์ไม่ใช่ตัวเช่ตนชี้หน้ามันไปเลยกายที่เคลื่อนไหวไปมาเนี่ไม่ใช่ตัวเช่ตนเวทนาที่มันสุขมันทุกข์ไม่ใช่ตัวเช่ตนจิตที่มันคิดโน่นคิดนี้ไม่ใช่ตัวเชืต่ตนความคิดมีสองลักษณะตั้งใจคิดกับมันรักคิดอันตั้งใจคิดเนี่ยขี้เกียจไม่อยากคิดตุกหตาจะทำทางเดินยังกลมหรอ ประมาณสัณกห้าเมตรห้าเมตรกว้างสักแปดสิบเซนเอาอิดบล็อกมาตั้งสองข้างแล้วก็เอาทรายมาใส่คิดจะประมาณสักห้าสิบเช่นจะรับนักปฏิบัติช่วงเดือนพฤษภาจะมีก็มานเข้มสี่สิบวันคิดไอีก จะหมดเงินเท่าไหรนะ่โอ้ยขี้เกียจคิดไม่อยากคิดแ อ, อยู่นี่ผู้ที่คิดเถียงอาจารย์รทรงศิลพรพอท่านจบสถาปัตย์มาอาจารย์ตุ้มว่าตั้งหินคงอาจารย์อาจารย์ทรงศิลป์เป็นคนทําออกแบบเองตอนคิดขึ้นมาท่านก็ทําเองกะดีหลายหลังท่านออกแบบเองเพราะตั้งใจคิดอย่างนี้ขี้เกียจอันตัวรักคิดไม่ขี้เกียจขยันขยันหลงหรือข ย, รขยันรู้พวกเรานะ เกิดมาถึงวันนี้ความหลงกับความรู้อันไหนมากกว่ากันเวลาใดเวลาใดมากกว่ากันเรามือยู่นี้เรายกมือสร้างจังหวะน่ยชั่วโมงหนึ่งหลงกับรู้อะไรมากกว่ากันขยันตรงนี้สักหน่อยอันหลงรู้ขยันตรงนี้อันทุกรู้ความทุกข์ความหลงความโกรธความอะไรต่างๆทำให้เราเกิดความรู้แต่ความทุกข์ความโกรธความหลงทําเกิด ทุกเกิดหลงเกิดโกรธไม่ใช่การศึกษาอันเดิมอยู่ไม่ได้เลื่อนฐานะยังเป็นเรื่องเก่ายิ่งปูนไปเข้าไปแก่แก่เพราะเกิดนานไม่ใช่แก่เพราะประสบการณ์แล้วนี้เราจึงมาศึกษากันเถอะลูกๆหล่ลนๆนเรียนให้น้อยเน่เอาเถอะหลานเยลยเวลามาหลงรู้ทันทีหัวโรคความหลง เวลามาโกรธรู้สันติญาไปเชื่อจิตที่มันคิดโน่นคิดนี้อาจารย์สอนอยู่ดีๆมันคิดปุ๊บหน่อยโดดโรงเรียนไปหนีเวลาสอนไม่ฟังเวลาสอนก็พลาดไปแล้วตั้งใจตั้งใจพ่อแม่สอนตั้งใจคนที่สั่งที่สอนเราเป็นผู้ขี่ขี้ข่มทรัพย์ให้เราไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเป็นผู้ขี้ข่มทรัพย์ให้เราควรครบบุคคลที่เป็นเช่นนั้น รรใครสอนเราใครขี้โทษเราคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราต้องตั้งใจเราก็เหมือนกันอะ่ะบัณฑิตตัมณีเพียงคนเดียวให้เยิ่ยงหูฝังคนพานสน่เสริญลวงคนบางค น, คนดูดีๆก่อนเราลู่เดยวเรารู้ ด, ดีกว่าคนอื่นลู่เราอันนี้คือฝึกหัดตัวเองให้มันจบซะถ้าจบตรงนี้มันก็จบทั้งหมดแล้ว อะไรก็เหมือนกันหมดชีวิตของคนเรานี้อที่เป็นทุกข์เป็นโทษความโลกกลมโกรธวามหลงอันเดียวกันเราจึงมาศึกษากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ดิขิตชีวิตเราได้เพราะ น, นั้นจึงขอให้พวกเราเนี่ยมารับผิดชอบร่วมกันหมูหลวงตานี่ก็เป็นพานโลงที่นี่ ถ้าคนไม่มาใช่เราก็ฟรีเลยไม่มีประโยชน์เลยวัดเนี่ยถ้าคนมาใช่เราดีใจชื่นใจคนมาสร้างกติเขาก็ชื่นใจคนมาสร้างกติเขาบอกว่าถ้ามีคนมาพักกติเขาที่เขาสร้างเขาได้บุญบุญของเขาออกดอกถ้าไม่มีใครมาพักเงินบุญก็ไม่ออกดอกได้เท่าเก่าแล้วคนมาพักอยู่เรื่อยๆเขาก็ออกดอกเรื่อยไปเขาชิดอย่างนี้เขาสร้างกติให้ ให้ให้สบายใจสิเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องใดเหมือนกันสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันเราขอเป็นพ่านลงบางทีเป็นกรรมกรด้วยบางทีก็เป็นอาจารย์ด้วยนั่งเทศน์ให้ฟังเพราะนี้ก็ให้เป็นส่วนรวมพวกเราที่นี่นี่อันเียอย่ามาเชื่อพวกเราให้ดูเ อ, เองให้ดูเ อ, เองมันหลงมันลูกอะไรมันถูกมันผิดตัดสินใจเอง ไม่มีคำถามสัจธรรมไม่มีคำถามมีแต่คำตอบตัวเองต้องตอบเอาทชนะคนอื่นตอบไม่ได้แล้วเราหลงไปถามใครมั้ยเราหลงไหมไม่ต้องถามทำไงมันหลงเอาสติสติเอาให้กันได้ไมั้ยให้ได้พิกเมือขึันยกเหมืรู้สักตันร้องเราอ๋ออันนี้ก็ <laughs> อุ่นอุ่นอ๋อสมควรใช้เวลาแล้วอ๋อพระพ่อองกัน